บทที่19วิธีคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยธรรมดาคนที่จะฝึกสมาธิได้ผลนั้นในชีวิตประจำวันจะต้องมีความสบายใจเป็นส่วนมากถ้าหากมีเรื่องกังวลใจหรือมีเรื่องหนักใจซึ่งทำให้ไม่สบายใจอยู่เสมอแล้วจะฝึกสมาธิได้ผลยากมากโดยเฉพาะราวาด ซึ่งมักจะต้องมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เสมอนั้นเวลามาฝึกสมาธิก็มักจะฝึกไม่ค่อยได้คนจนก็มีความกังวลไปอย่างหนึ่งคนมั่งมีก็มีความกังวลไปอีกอย่างหนึ่งสรุปแล้วก็คือไม่ว่าจะจนหรือ ม, มั่งมีก็ตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงพบว่า คนส่วนมากไม่สนใจต่อการฝึกสมาธิเพราะคนจนก็จะอ้างว่ายังยากจนอยู่จําเป็นจะต้องดิ้นรนเพื่อหากินให้พอก่อนไม่มีเวลาที่จะมาฝึกส่วนคนมั่งมีก็จะอ้างว่ามีธุรายุ่งมากเกี่ยวกับงานที่นั่นที่นี่ปล่อยไม่ได้เพราะถ้าปล่อยงานก็จะเสียและโดยธรรมดา คนที่หาเงินได้ง่ายและหาได้มากก็มักจะคิดขยายงานออกไปเรื่อยๆจึงหาเวลาว่างยากยิ่งกว่าคนจนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ถ้าหากไม่รู้จักวิธีวางใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วตลอดทั้งชีวิตก็จะไม่มีโอกาสได้ฝึกสมาธิเลยอย่าลืมว่าถ้ามาฝึกสมาธิตอนวีอายุมาก จะได้ผลน้อยมากนอกจากจะเป็นคนที่มีพื้นสมาธิดีมาตั้งแต่ยังหนุ่มหนุ่หรือสาวสาวเมื่อมาฝึกตอนเมียอายุมากก็อาจจะทําได้ผลดีแต่ก็ไม่ง่ายนักเป็นความจริงที่ว่าการหาเงินนั้นยิ่งได้ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นทุกทีเพราะเหตุนี้เงินจึงเป็นสิ่งที่ยุ่งยุ ให้คนเราต้องยุ่งอยู่กับมันตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาจะนอนกว่าจะหลับได้ก็ยังต้องเสียเวลาเพราะมัวคิดแต่ในเรื่องการเงินซึ่งบางคนก็เสียเวลานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงทีเดียวกว่าจะหลับได้ส่วนคนจนก็จะคิดอยู่แต่ปัญหาว่าทำอย่างไรจึงจะได้เงินมาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อไม่ได้หรือได้ไม่พอก็จะคิดอยู่แต่เรื่องหาเงินจงกระทั่งไม่มีเวลาที่จะสนใจศึกษาเรื่องอื่นโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่ทําให้ได้เงินด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เอาเรื่องนี้มาเขียนเพื่อจะให้รู้จักตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินออกเสียบ้างจิตใจจะได้สบายและจะได้มีเวลานั่งสมาธิเหมือนกับเขาบ้าง ข้าพเจได้กล่าวมาในฉบับก่อนว่าคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกลัวตายก็เพราะไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังจากตายคนที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็เพราะไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บคนที่กลัวผีซึ่งในบางครั้งก็ทําให้เกิดความกังวลมากก็เพราะไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโอปปะติกะ ในทํานองเดียวกันคนที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เพราะไม่รู้แจ้งถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าคนเราจะยากจนหรือร่ํารวยเป็นเพราะเหตุไรแนะ่และไม่รู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากเหตุอะไรแนะ่ถ้าหากมีความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วความกังวลก็จะน้อยลง จนกระทั่งในที่สุดก็จะหมดไปเลยข้าพเจ้าจะขอพูดถึงปัญหาที่ว่าความสุขที่แท้จริงเกิดจากอะไรเสียก่อนซึ่งถ้าหากเข้าใจในเรื่องนี้แจ่มแจ้งแล้วความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะน้อยลงไปมากคนทั่วไปมักจะมีความยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกันเกือบจะทุกคนกล่าวคือ ถือว่าคนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อมีเงินพอใช้ทั้งนี้ก็เพราะข้อเท็จจริงมันมีอยู่เสมอว่าปัญหาต่างๆที่ยังแก้ไม่ได้น้นเป็นเพราะมีเงินไม่พอถ้าได้เงินมาพอใช้เมื่อไรเราก็รู้สึกโล่งอกทันทีสบายใจไปได้เป็นเรื่องๆสุดแล้วแต่จะแก้ปัญหาเรื่องไหนได้ เราก็โล่งอกในเรื่องนั้นแต่ครั้นแล้วเราก็จะพบว่าพอแก้ปัญหาอันนี้ได้คือมีเงินพอใช้แล้วเราก็ยังมีปัญหาอย่างอื่นเกิดขึ้นมาใหม่จากการมีเงินนั่นแหละอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเราตามใจความอยากไม่พยายามที่จะตัดมันเสียบ้างก็จะเหมือนกับไฟเรายิ่งใส่ฟืนเข้าไปเท่าไหร่ มันก็ยิ่งลุกมากขึ้นเท่านั้นการสนองตัณหาคือเมื่ออยากได้อะไรก็พยายามหามาให้ได้นั้นวิธีนี้ก็เท่ากับการเอาฟืนใส่ไฟฉะนั้นเราจึงพบว่าคนที่ตามใจตัวเองอยู่เสมอความอยากก็จะแผ่วงกว้างออกไปทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็จะรู้สึกว่าความรู้จักพอไม่มี มีแต่รู้สึกว่ายังไม่พออยู่นั่นเองจงสังเกตดูบางคนเดี๋ยวนี้มีเงินมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าซึ่งเมื่อก่อนเคยคิดว่าถ้าเรามีเงินขนาดนี้ก็พอแล้วแต่ครั้นมีเข้าจริงๆก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พออยู่นั่นเองการที่คนเราเป็นอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับสาเหตุเพียงข้อเดียว คือไม่รู้แจ้งว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การเอาชนะตันหาไม่ใช่อยู่ที่การตามใจตันหาแต่อย่างไรก็ดีการที่จะเอาชนะตันหานั้นในบางครั้งเราก็ต้องตามใจตัวเองคืออยากได้อะไรก็พยายามแสวงหาอยากทำอะไรก็ต้องทำอยากไปไหนก็ต้องไปอย่างนี้เป็นต้น การตาใจอย่างนี้เป็นของจำเป็นเพื่อความสบายใจและเพื่อมีให้มีความกดดันซึ่งเปรียบเหมือนเป็นการเตรียมสเสบียงในการเดินทางหรือหาที่พักในระหว่างทางเพื่อให้ตัวเองมีกินมีใช้มีที่พักชั่วคราวเพื่อจะได้พักผ่อนเอาแรงเพื่อการเดินทางต่อไปเพราะถ้าหากในระหว่างการเดินทางนั้น เราไม่มีอาหารไม่มีเสื้อผ้าไม่มีที่พักไม่มียารักษาโรคก็จะเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะเอาชนะตันหาจะต้องมีการตามใจตันหาด้วยเพราะถ้าเราพยายามกดความรู้สึกของตัวเองทุกอย่างอยากทำอะไรอยากจะไปไหนอยากจะมีอะไร ก็พยายามตัดไปหมดไม่ตามใจเลยถ้าทําอย่างนี้ก็จะเกิดความกดดันในทางอารมณ์ซึ่งผลร้ายของมันมีอยู่อย่างไรข้าพเจ้าได้เคยที่บายมาแล้วเช่นผลร้ายอันหนึ่งซึ่งนับว่าร้ายแรงมากก็คือคนที่มีความกดดันทางอารมณ์อย่างมากนั้นจะไม่มีทางฝึกสมาธิได้เลย และเมื่อฝึกสมาธิไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะตันหาได้การเอาชนะตันหาได้อย่างเด็ดขาดจงกระทั่งในใจสงบและเยือกเย็นอยู่เสมอนี่คือจุดหมายปลายทางของชีวิตโปรดจำไว้ให้ดีว่าด้วยการเข้าถึงชีวิตที่เป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของตันหาเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า ความแก่เจ็บตายของร่างกายไม่มีความหมายเหตุการณ์ต่างๆในโลกก็ทำให้เกิดความทุกข์ไม่ได้ไม่ว่ามันจะร้ายแรงสักเพียงใดก็ตามคนที่ไม่เคยมีใจสงบจากตัณหาแม้เพียงชั่วขณะย่อมไม่มีทางที่จะรู้จักชีวิตภายในและชีวิตภายในนั้นจะมีความสมบูรณ์ทุกด้านอยู่เหนือความแก่ความตาย อยู่เหนือความยากจนอยู่เหนือความอาภัพทุกยาก็ต่อเมื่อเอาชนะตัณหาได้เท่านั้นและภาวะอันนี้ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้และรู้จักได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หลังจากตายและการเข้าถึงภาวะอันนี้จะต้องอาศัยสมาธิเว้นจากสมาธิแล้วไม่มีทางเลย เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ยอมตามใจตัวเองเสียบ้างก็จะมีความกดดันจนกระทั่งฝึกสมาธิไม่ได้ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าการสนองตัญหาเป็นเพียงการเตรียมสเสบียงในการเดินทางหรือหาที่พักในระหว่างทางเท่านั้นแต่คนส่วนมากมาเข้าใจผิดจะว่า ถ้าเราอยากกินอะไรได้กินอยากทำอะไรได้ทำอยากเป็นอะไรได้เป็นอันนี้แหละคือจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตคนเกือบทั้งโลกเข้าใจแบบนี้กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามดิ้นเพื่อที่จะแสวงหาเงินให้มากเพราะเงินเป็นสื่อกลางที่จะนำสิ่งที่ต้องการมาให้ได้เกือบทุกอย่าง แต่หารู้ไม่ว่าถ้าเราขืนตามใจในเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆมันจะไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเปรียบเหมือนการเดินทางก็แปลว่าเข้าหลงทางคือวนเวียนอยู่แต่ในทางเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาไม่ได้ใกล้ต่อจุดหมายปลายทางเข้าไปทุกทีท่านลองนึกดูคนที่หลงทางนั้นบางทีเขาก็เดินทางถูกแล้ว แต่ครั้แล้วเขาก็วกไปทางอื่นหลงไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้างประเดี๋ยก็กลับมาทางเก่าซึ่งเป็นทางที่ถูกแต่แล้วเดี๋ยวก็หลงไปอีกวกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เมื่อไรเขาจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางคนที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินโมยุ่งอยู่แต่เรื่องการเงินนานก็เปรียบเหมือนคนที่หลงทาง เพราะไม่เข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตอยู่ที่ไหนถ้าหากเมื่อใดเข้าใจถูกต้องแล้วแม้จะเป็นคนจนความกังวลก็จะน้อยลงหรือถ้าเป็นคน ม, มั่งมีเขาก็จะรู้จักใช้เงินไปในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเรายังนั่งสมาธิไม่ได้ไม่เคยพบกับความสงบภายในอันเกิดจากสมาธิเราก็ไม่มีทางที่จะรู้สึกตัวได้ว่าตัณหากับความต้องการชนิดที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นมันต่างกันอย่างไรและในเมื่อไม่รู้เราก็จะหลงอยู่กับตัณหาและจะถูกตัณหาหลอก เหมือนกับเหยื่อที่หลอกให้ปลาติดเบ็ดซึ่งในที่สุดปลาก็ต้องตายเพราะเหยื่อแต่แล้วมันก็จะไปเกิดเป็นปลาอีกแล้วก็หลงเหยื่อและติดเบ็ดอีกซ้าอยู่อย่างนี้นับชาติไม่ท่วนคนทั่วไปก็เหมือนกับปลาเช่นนี้และไม่เคยรู้สึกเข็ดเพราะตันหาทั้งๆ ท, ที่ความทุกข์ที่ได้รับอยู่ทุกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นทุกทางกายหรือทุกทางใจ ล้วนแต่มีสาเหตุมาจากตันหาทั้งสิน้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่เราแยกไม่ออกว่าความต้องการชนิดที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์กับความต้องการที่เรียกว่าตันหามันต่างกันอย่างไรเราต้องหลงอยู่กับตันหาตลอดไปเอาชนะมันไม่ได้อันนี้นับว่าเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงที่สุด เพราะตัณหามันจะสร้างเหตุผลขึ้นมาหลอกอย่างสลับซับซ้อนจนกระทั่งไม่มีทางที่คนเราจะรู้สึกตัวได้เลยว่าถูกหลอกมีอยู่ขณะเดียวเท่านั้นที่พอจะรู้สึกตัวว่าตัณหาหลอกตัวเองให้อยู่ในความทุกข์ทรมานคือในขณะที่ใจสงบจากตัณหาซึ่งภาวะอันนี้จะมีได้ก็เฉพาะในเวลาที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้น จะลืงว่าการที่เราต้องสนองตันหาบ้างนั้นเป็นเพียงอุบายเพื่อจะให้เราได้มีโอกาสนั่งสมาธิได้บ้างครั้นแล้วเราก็จะเริ่มรู้จักลักษณะของความต้องการชนิดที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งในเมื่อรู้จักความต้องการอันนี้แล้วเราก็ทําอะไรหรือแสวงหาอะไรไปํามความต้องการอันนี้ ซึ่งชีวิตก็จะมีความผาสุขรื่นเริงแจ่มใสและก็สามารถที่จะทําอะไรได้หรือมีอะไรได้คล้ายๆกับคนที่มีตันหาเพราะความต้องการที่ว่านี้มันก็ยังมีตันหาเจือปนอยู่เสมอแต่เปอร์เซ็นต์ของมันน้อยและที่สําคัญที่สุดก็คือความต้องการสงความปรารถนามันจะไม่ทําให้วกไปวนมา เหมือนกับคนที่ตกอยู่ในอำนาจของตันหาล้วนตัวอย่างเช่นคนที่ตกอยู่ในอำนาจของตันหาในเรื่องการกินเขาก็จะมีความยุ่งยากมีความลำบากเกี่ยวกับเรื่องการกินซับซ้อนวกไปวนมาถึงแม้จะมีเงินมากสักเพียงไรการกินก็ยังทรมานเขาได้ทำให้เขาเดือดร้อนได้ซึ่งตรงกันข้าม กับคนที่กินอาหารตามความต้องการชนิดที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องกินจะค่อยค่อยน้อยลงจนกระทั่งในที่สุดแม้จะไม่ได้กินหรือไม่ได้อาหารที่ต้องการเขาก็ไม่เดือดร้อนอย่าลืมว่าชัยชนะของชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางอันแท้จริงของคนเรานั้น ก็คือแม้เราจะไม่มีกินหรือเราจะแก่จะเจ็บป่วยหรือจะตายก็ไม่ทำให้จิตใจเราเดือดร้อนชีวิตภายในไม่ได้รับความกระทบกระเทือนแจ่มใสและเบิกบานอยู่เสมอซึ่งภาวะอันนี้คนเราจะเข้าถึงก็ต่อเมื่อต้องมีเหตุการณ์ช่วยด้วยการอธิบายให้เห็นว่า ลักษณะของตัณหากับลักษณะของความต้องการชนิดที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นมันต่างกันอย่างไรถ้าจะที่บายด้วยคําพูดก็ไม่ยากอะไรและข้าพเจ้าก็ได้เคยที่บายมาแล้วแต่เท่าที่ข้าพเจ้าสังเกตดูคนทั่วไปทั้งที่ได้เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วน้อยคนมากที่จะมองเห็นถึงความแตกต่าง จนกระทั่งตัวเองจําได้แน่นอนว่าความต้องการอันนี้คือความต้องการที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์สำหรับตัวเองอย่าลืมว่าเมื่อเรายังไม่ได้เป็นพระอราหันต์ความต้องการทุกอย่างที่เกิดขึ้นย่อมมีตัณหาเจือปนอยู่ด้วยเสมอแต่ถึงกระนั้นสำหรับคนที่เข้าสมาธิได้ก็จะรู้ว่า แม้จะทำอะไรตามใจตัวเองในเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งในสายตาของคนอื่นอาจจะเห็นว่าเป็นความเร็วซามหรือเป็นการถอยหลังเหมือนอย่างพระปัญจวัคคีย์เคยเข้าใจพระพุทธเจ้าผิดมาแล้วเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเลิอกอดอาหารกลับมาเสวยอาหารตามปกติขอให้สังเกตว่า พระองค์ทรงแน่ใจว่าความต้องการอย่างนี้เป็นทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ใช่การถอยหลังแต่พระปัญจวัคคีย์ไม่รู้เพราะมัวยึดอยู่แต่ในความเชื่อถือที่มีแพร่หลายอยู่ในสมัยนั้นและในเรื่องนี้เราจะมาวัดกันด้วยอาการภายนอกไม่ได้อย่างเด็ดขาดนอกจากตัวของตัวเองเท่านั้นจึงจะรู้ เพราะในบางกรณีคนที่ตามใจตัวเองในเรื่องการดื่มการเที่ยวการสมเหลเทเมาต่างๆความต้องการข้อๆในเรื่องนี้ก็คือความต้องการที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งมีข้อสังเกตอย่างนี้คือคนประเภทนี้ยิ่งตามใจตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เขาเวือน่ายต่อสิ่งที่เขาทำอยู่เร็วขึ้น จงกระทั่งในที่สุดก็เลือกได้เด็ดขาดแต่บางคนตรงกันข้ามยิ่งตามใจ ย, ยิ่งเลอะเทอะขึ้นทุกทียิ่งวกวนมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดกันด้วยอาการภายนอกไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลแต่ก็มีหลักแน่นอนอยู่ว่าถ้าคนไหนเริ่มเข้าสมาธิได้แล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเข้าใจถูกต้องแล้วว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมาจากภายในไม่ใช่มาจากภายนอกถ้าเราปรับปรุงชีวิตภายในให้ได้มาตรฐานแล้วเราก็จะอยู่เหนือความทุกข์ทุกอย่างแม้กระทั่งความตายหรือความยากจนอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรจะกินเลยจะต้องอดตายอย่างแน่นอนเขาก็ไม่เดือดร้อน คนที่เข้าใจชีวิตถึงขั้นนี้แล้วเขาจะแยกลักษณะของตันหาชนิดที่จะต้องทำให้เขาวนเวียนออกมาจากความต้องการชนิดที่จะนำไปสู่ความพน้นทุกข์ได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวจงจำไว้ว่าคนที่รู้จักชีวิตอย่างดีแล้วเท่านั้นความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินจึงจะค่อยๆน้อยลงไปโดยลําดับ ซึ่งเรื่องนี้คนที่จะทําได้อย่าลืมว่าต้องเป็นคนที่เข้าสมาธิได้และคนที่จะเข้าสมาธิได้ก็จะต้องเป็นคนที่มีความสบายใจอยู่เสมอในชีวิตประจําวันท่านทั้งหลายคิดว่าอย่างไรคนเราจะมีความสบายใจอยู่เสมอก็ต่อเมื่อต้องหาเงินไว้ให้มาก หรืออยู่ที่การวางใจให้ถูกเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยธรรมดาผู้ทุชนทั่วไปย่อมจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เสมอเพราะเงินเป็นสื่อกลางสําหรับจะแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ต้องการแต่โดยปกติความต้องการของคนเราก็มีไม่รู้จักสิ้นสุดเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีเงินสักเท่าไหร่ มันก็ไม่เพียงพอกับความต้องการและเมื่อหาได้ตามความปรารถนาก็สบายใจถ้าหาไม่ได้ก็จะคิดกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าทำอย่างไรจรึงจะได้เงินขอให้พิจารณาดูในเวลานั่งสมาธิแล้วจะพบว่าความกังวลที่ออกมามากที่สุดก็คือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินและก่อนที่จะนอนหลับ คนส่วนมากก็มักจะต้องเสียเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่น้อยความกังวลทุกอย่างเกิดจากตันหาอุปาทานเมื่อยังแก้ตันหาอุปาทานไม่ได้ความกังวลก็ไม่มีทางจะหมดลงได้การสนองความต้องการหรือการจัดทำธุระให้เสร็จเป็นเพียงการงับความกังวลลงได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ครั้นแล้ว ความกังวลก็จะเกิดอีกมีข้อที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าผู้ที่นั่งสมาธิได้มีใจสงบมีปีติและสุขเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ความกังวลทุกอย่างจะสงบแม้จะพยายามนึกในเรื่องที่เคยทำให้กังวลความกังวลก็จะไม่เกิดถ้าเป็นในเวลาอื่นก็จะระ ง, งับความคิดได้ ก็จะต้องใช้เวลานานแต่ในขณะที่จิตใจกําลังสงบสบายเช่นนี้จะตัดความกังวลออกไปได้ง่ายมากการปัดความคิดในสิ่งที่ต้องการในขณะนี้ทําได้ง่ายเมื่อระ ง, งับความคิดได้แล้วความกังวลทุกอย่างก็สงบปัญหาสําคัญมีอยู่ว่าเพราะเหตุไรในตอนนี้จึงตัดความกังวลได้ง่าย ควบคุมจิตใจให้สงบง่ายๆข้อเท็จจริงอันนี้โปรดสังเกตให้ดีคนทั่วไปที่เข้าสมาธิไม่ได้นั้นเป็นเพราะมีความกังวลในสิ่งต่างๆเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ปัดไม่ออกทั้งนี้ก็เป็นเพราะในใจไม่มีความสงบในใจไม่มีความสุขเหมือนกับน้ําที่ร้อนย่อมจะเดือดพล่าน ส่วนน้ําที่เย็นจะไม่เดือดเช่นนั้นเมื่อเรามีความกังวลอยู่บ่อยๆมีบากในเรื่องนี้ก็มีมากขึ้นในสันดานแปลว่าพื้นข้างในร้อนอยู่เสมอเมื่อพื้นข้างในร้อนอยู่เสมอก็ทำใจให้สงบได้ยากเมื่อใจไม่สงบมิบากของความสงบมีไม่พอความกังวลในสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่าย และเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ตัดออกได้ยากด้วยเหตุนี้คนเราจึงเข้าสมาธิได้ยากเพราะความไม่สงบกับความกังวลต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทำให้หมุนเวียนอยู่ในภาวะอันนี้เหมือนกับกิ่งไม้หรือใบไม้ที่ติดน้ำวนถูกน้ำวนดูดเอาไว้ลอยไปไหนไม่ได้ความหลงผิดอันหนึ่ง ที่คนเรามักจะเป็นกันมากที่สุดก็คือสมมติว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อยังไม่ได้ก็มีความกังวลหรือเมื่อยังทำอะไรไม่สำเร็จงานยังค้างอยู่ก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับงานนั้นอยู่เสมอแต่พอได้สมความปรารถนาแล้วก็จะรู้สึกโล่งใจความกังวลหมดไป คนทั่วไปสังเกตเห็นได้เช่นนี้จึงทำให้เข้าใจว่าความกังวลของเราหมดแล้วและเราจะตัดความกังวลได้ก็โดวยวิธีนี้ความเป็นจริงถึงแม้ความกังวลในเรื่องนั้นจะสงบก็จริงแต่มันก็สงบเพียงชั่วคราวเท่านั้นเชื้อของความกังวลยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นจะได้หลงผิดไปนานขาด ว่าเราจะแก้ความกังวลได้ก็โดยการพยายามสนองความต้องการให้สำเร็จสมความปรารถนาเพราะกฎมีอยู่ว่าเมื่อใดตัณหาเกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบากเข้ามาย่อมเกิดขึ้นในสันดานด้วยเหตุนี้คนเราเมื่อได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งสมความปรารถนาแล้วด้วยการมีสิ่งนั้นแหละ ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความอยากอย่างอื่นต่อไปอีกด้วยเหตุนี้ความสิ้นสุดของตันหาจึงมีไม่ได้ด้วยการสนองตันหาแต่การสนองตันหาก็เป็นของจำเป็นเพราะถ้าคนเรากดความรู้สึกทุกอย่างไว้ไม่ยอมทำอะไรตามใจตัวเองเสียบ้างก็จะมีความกดดันมีความไม่สบายใจ ซึ่งเรื่องนี้ได้เคยที่บายมามากแล้วขอให้ย้อนไปนึกถึงเรื่องที่ว่าในเวลาที่ใจสงบมีปีติและสุขเกิดขึ้นในใจทำไมในตอนนี้จึงจะระงับความคิดและตัดความกังวลได้ง่ายมากในคำภีได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีอุทธจักกุกจจคือความฟุ้งซ่านและความรำคาญ เกิดขึ้นในใจนั้นเป็นเพราะในสันดานขาดวูปัสมาซึ่งแปลว่าความสงบภายในวิธีที่จะแก้นิวรข้อนี้ก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องพยายามสร้างความสงบภายในให้มากขึ้นถ้าพื้นภายในเยือกเย็นเพราะได้สะสมวิบากของความสงบที่เกิดจากสมาธิและวิปัสสนาเอาไว้อย่างเพียงพอแล้ว จะระ ง, งับความฟุ้งซ่านความรำคาญได้ง่ายมากเพราะความสงบภายในซึ่งเรียกว่าวูปสมะอันนี้แหละคือตัวการโดยตรงที่จะทำให้ระ ง, งับความวิตกกังวลได้ทุกอย่างอันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็โดยเคยตรัสไว้ว่าปวิเวกราสังปีวิตวาระสังอุปสมัสัจจานิทโรโหตินิปาโป ธรรมปีติระสังปีวังผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งความยิเวกและได้ดื่มรสแห่งนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบของสังขานทั้งปวงย่อมออกจากความกระวนกระวายออกจากบาปได้ผู้ที่ได้ดื่มรสแห่งความปีติในธรรมก็ย่อมจะมีผลเช่นเดียวกันขอให้พิจารณาพุทธพจน์บทนี้หลายๆครั้ง คนที่มีความเร่าร้อนอยู่ในใจมีบาปอยู่ในใจซึ่งเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลต่างๆนั้นเขาจะออกจากความทุกข์ทรมานต่างๆเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาได้ดื่มรสแห่งความสงบหรือได้ดื่มรสแห่งพระธรรมที่ตัวเองเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้นและวิธีที่จะออก หรือคลายความวิตกกังวลต่างๆอันเนื่องมาจากภายในสันดานมีความไม่สงบมีความเร่าร้อนและมีบาบนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือพยายามสะสมวิบากของความสงบอันเกิดจากสมาธิและวิปัสสนาให้มากขึ้นและมากขึ้นโดยลำดับจนกว่าจะมีกำลังพอ ที่จะทำให้ควบคุมจิตใจให้สงบได้เสมอตามความต้องการ ได้โปรดจําไว้ให้แม่นทีเดียวว่าความวิตกกังวลต่างๆมันจะไม่สงบซื้อหายไปเพราะการสนองความต้องการหรือเพราะทําธุระนั้นๆให้เสร็จสิน้นอันนี้คนเข้าใจผิดกันมากเพราะทุกคนสังเกตได้จากตัวเองว่าถ้าอยากได้อะไรเมื่อได้สมความปรารถนาความกังวลก็สงบหรือเมื่อทําอะไรค้างอยู่ เมื่ อ, อยังไม่เสร็จก็จะกังวลอยู่เสมอแต่พอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกโล่งใจหมดความกังวลใครๆก็มักจะรู้สึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเข้าใจว่าความกังวลจะหมดไปได้ด้วยการสนองความต้องการให้สำเร็จซึ่งความเป็นจริงมันสงบลงเพียงชั่วคราวแต่แล้วความกังวลมันก็เกิดอีก และที่มันเกิดอีกก็เนื่องมาจากการสนองความต้องการนั่นเองเพราะทุกครั้งเมื่อได้อะไรสมความปรารถนาเกิดความสบายใจความสบายใจอันนี้เกิดมาจากตัณหากฎมีอยู่ว่าเวทนาย่อมเป็นปัใจจัยให้เกิดตัณหาและตัณหาก็เป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาเพราะฉะนั้น ในเมื่อความสบายใจเกิดมาจากตัณหาคืออยากได้อะไรเมื่อได้สมความปรารถนาแล้วก็เกิดความสุขถ้าไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสุขเกิดหรือทุกข์เกิดมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาต่อไปอีกกล่าวคือเมื่อเกิดความสุขก็อยากจะได้อีกเมื่อเกิดความทุกข์ก็อยากจะหนีไปให้พน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ ความกังวลก็พร้อมที่จะเกิดอีกเสมอเพราะคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคน ม, มั่งมีไม่ว่าจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจมา ก, กเพียงไรก็ตามไม่มีใครที่ต้องการอะไรแล้วจะต้องได้สมความปรารถนาเสมอไปโปรดอย่าลืมว่าคนเราเมื่อยิ่งใหญ่ขึ้นความต้องการก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้น ความกังวลจึงมีมากขึ้นและอีกประการหนึ่งคนเราเมื่อใหญ่ตัวขึ้นทิฐิมานะก็มีมากขึ้นเมื่อทิฐิมานะมีมากขึ้นความยึดถือก็มีมากขึ้นเมื่อความยึดถือมีมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความยึดถือปล่อยวางไม่ได้เช่นเมื่อตอนที่เรายังเป็นคนเล็ก ไม่รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่อย่างไรนั้นเราจะกินอยู่อย่างไรใครเขาจะว่าเราอย่างไรโดยมากคนในระดับนี้ไม่ค่อยยึดถือปล่อยวางได้แต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยิ่งใหญ่ตัวเองเป็นคนมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมากการปล่อยวางจะมีได้ยากเช่นจะเห็นได้ว่า สำหรับผู้ใหญ่นั้นเรื่องบางอย่างที่คนอื่นทำให้ไม่พอใจก็มักจะฝังอยู่นานครุ่นคิดอยู่เสมอแม้ในเวลานั่งสมาธิเรื่องในทำนองนี้จะปรากฏในห้วงนึกบ่อยๆปัดออกได้ยากด้วยเหตุนี้การตัดความกังวลโดวยวิธีสนองความต้องการจึงเท่ากับเป็นการเสริมสร้างความกังวล ให้แผ่กว้างออกไปทุกทีข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการตัดความกังวลมีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือต้องพยายามสร้างความสงบภายในให้มากขึ้นและมากขึ้นโดยลำดับจนกว่าจะมีกำลังพอซึ่งถ้ามีกำลังพอแล้วความคิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือในทางไม่ดี จะสามารถปัดออกไปได้ทันทีและเมื่อเราปัดความคิดได้ตามความตั้งใจความกังวลทุกอย่างก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความกังวล น, นั้นเกิดจากความคิดเรื่องไหนที่ทำให้กังวลถ้าไม่คิดถึงมันความกังวลก็ไม่มีและด้วยเหตุนี้เราจึงเรียกกันว่าความวิตกกังวลวิตกแปลว่านึก กังวลแปลว่าความเป็นห่วงวิตกกังวลก็คือการนึกด้วยความเป็นห่วงความคิดกังวลไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องไหนล้วนแต่เป็นความคิดที่หลอกตัวเองแบบคนกลัวผีถ้าไม่คิดก็ไม่กลัวแต่โดยธรรมดาคนที่มีนิสัยกลัวผีเมื่อเข้าไปในสถานที่เปล่าเปลี่ยวหรือที่มืดครึ้มก็อดคิดไม่ได้ และเมื่อคิดขึ้นมาก็กลัวถ้ายิ่งมีเหตุการณ์บางอย่างเช่นเสียงกรอกแกรกโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเสียงอะไรก็ตามที่หาเหตุไม่ได้ก็ต้องนึกว่าเป็นเรื่องผีและในที่สุดก็จะกลัวมากขึ้นการที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าความคิดกลัวผีเป็นความคิดที่หลอกตัวเองก็เพราะส่วนมากเหตุการณ์มันจะไม่เกิด หรือเป็นไปอย่างที่นึกเอาไว้คิดกลัวไปเองข้อที่น่าสังเกตก็คือถ้าคนไหนพื้นเดิมเป็นคนไม่กลัวผีแม้ใครจะมาเล่าเรื่องผีสักเพียงใดเขาก็ไม่กลัวและจะไม่ตกเป็นท่าแทงความคิดของคนที่เล่าเรื่องผีให้ฟังแต่โดยธรรมดาคนทั่วไปมีเชื้อของความกลัวผีทั้งนั้นเพราะฉะนั้น ไม่ว่าใครจึงมักตกเป็นทาสแห่งความคิดของตัวเองในเรื่องผีในทำนองเดียวกันเพื่อนเดิมของคนธรรมดาย่อมมีเชื้อความกังวลเชื่อที่ว่านี้ก็คือตันหาอุปาทานตันหาหมายถึงความอยากชนิดที่ทำให้เกิดความยึดมั่นซึ่งเรียกว่าอุปาทานเมื่อพูดถึงอุปาทานก็ขอให้เข้าใจว่า หมายถึงความยึดมั่นด้วยความหลงผิดพื้นเดิมของคนเราเมื่ออยากได้อะไรหรือชอบอะไรหรือเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรก็มักจะมีความยึดมั่นในสิ่งนั้นๆแกออกได้ยากเพราะเหตุที่คนเรามีพื้นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่ออยากได้อะไรเมื่อยังไม่ได้หรือได้ไม่ถูกใจหรือเกิดผิดหวังก็จะทำให้เกิดความกังวล คิดมากปัดความคิดไม่ออกและเมื่อความกังวลเกิดบ่อยบย่อยมีบาของความกังวลก็สะสมมากขึ้นความไม่สบายใจก็สะสมมากขึ้นจนกระทั่งพื้นภายในเสียเกิดความอ่อนแอและมีความเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาภูปะสมะซึ่งแปลว่าความสงบภายในไม่มีเมื่อขาดความสงบอันนี้เสียแล้ว ก็ไม่มีตัวยาที่จะระ ง, งับความกังวลได้และแล้วคนเราก็หลงอยู่ในความหลงผิดกล่าวคือคิดว่าเราจะตัดความกังวลได้ก็ด้วยการสนองความต้องการหรือจัดทำธุรานั้นๆให้เสร็จสิ้นไปคนเกือบจะทั้งโลกอยู่ในความหลงผิดอันนี้กันทั้งนั้นข้าพระเจ้าขอ ย, อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า วูปะสมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องระ ง, งับความกังวลได้อย่างเด็ดขาดแต่วูปะสมะจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสนาและคนที่จะฝึกสมาธิได้เจริญวิปัสนาได้ก็ต่อเมื่อในชีวิตประจําวันต้องมีความสบายใจพอสมควรจุดนี้คือจุดสําคัญด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงแนะนำมิให้กดอารมณ์ของตัวเองจนเกินไปกล่าวคือเมื่ออยากได้อะไรอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากจะไปไหนต้องมีการสนองความต้องการบ้างพอสมควรมิฉนั้นแล้วชีวิตของคนธรรมดาจะทนไม่ได้ความกดดันที่เกิดขึ้นบ่อยๆมันจะสร้างความไม่สบายใจจนกระทั่งพื้นภายในเสีย จนตั้งตัวไม่ได้เลยแต่คนทั้งหลายกลับไปเข้าใจผิดว่าความสุขอยู่ที่การสนองความต้องการก็เลยพยายามตามใจและหาเงินไว้ให้มากเพื่อจะได้มีโอกาสตามใจตัวเองได้มากขึ้นนี่คือความหลงผิดอย่างใหญ่หลวงความเป็นจริงเราสนองความต้องการเพียงเพื่อให้จิตใจของเราสบายบ้าง ไม่ให้มีความกดดันจนเกินไปครั้นแล้วในช่วงจังหวะที่เรามีความสบายใจนี่หละให้เรารีบพยายามฝึกสมาธิจเจริญวิปัสสนาให้มากเพื่อสะสมวูปัสมาและต้องพยายามสะสมให้พอถ้าวูปัสมามีอย่างเพียงพอแล้วมันก็เป็นการง่ายที่จะตัดความกังวลต่างๆออกไปได้และเมื่อถึงตอนนี้ เราก็จะพบว่าแม้เราจะพยายามตามใจตัวเองสักเพียงไรผลเสียหายก็ไม่ค่อยจะมีซึ่งผิดกับคนที่วูปัสมาภายในมีไม่พอการตามใจตัวเองก็คือการก่อไฟเผาสันดานของตัวเองให้มีความเร่าร้อนมากขึ้นครั้นแล้วความวิตกกังวลมันก็จะมีมากขึ้นโดยลําดับ จนถึงขีดเป็นโรคประสาทและในที่สุดก็กลายเป็นคนเสียสติเป็นบ้าไปเลยท่านเขาจะเห็นด้วยกับคำที่กัปปเจ้าเคยกล่าวมาแล้วว่าชีวิตคือการเดินทางและตราบใดที่เรายังอยู่ในความทุกข์ทรมานยังหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นชีวิตเรายังไม่เป็นอิสระและยังไม่อยู่เหนือความทุกข์ทุกอย่าง ก็แปลว่ายังเดินทางไปไม่ถึงที่สุดคนที่จะนับว่าเดินทางถึงที่สุดแล้วก็คือคนที่เอาชนะตันหาอุปาทานของตัวเองได้อย่างเด็ดขาดโปรดอย่าลืมนึกถึงความหมายของคำว่าตันหาเพราะถ้าไม่มันนึกเอาไว้ก็มักจะไปปนกับความต้องการชนิดที่จะนำไปสู่ความพนทุกข์คนส่วนมากจึงรู้สึกว่า การละตัญหาเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นการผิดวิสัยธรรมชาติก็เพราะไม่รู้จักความต้องการชนิดที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ไปหลงผิดว่าอันนี้ก็คือตันหาและจะต้องละและกดมันไว้ซึ่งถ้าทำอย่างนี้ทุกคนก็จะรู้สึกทันทีว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรคืออยู่อย่างชนิดที่ไม่มีความหวัง ไม่มีความต้องการในสิ่งใดเลยอันนี้เป็นเพราะไม่เข้าใจความหมายของตัณหาอย่างถูกต้องนั่นเองชีวิตคือการเดินทางการสนองความต้องการในบางอย่างเป็นของจำเป็นซึ่งเท่ากับเป็นการเตรียมสเสบียงในการเดินทางหรือเป็นการหาที่พักในระหว่างทางทั้งนี้ก็เพราะเพื่อเราจะได้มีความสบายใจ และจะได้มีโอกาสฝึกสมาธิแล ะ, จะเจริญวิปั ส, สนาเพื่อสะสมวูปั ส, สมาให้มากขึ้นโปรดพิจารณาให้ดีว่าถ้าเรามัวตามใจตัวเองทุกอย่างก็แปลว่าการเดินทางของเราจะต้องยืดเยื้อต่อไปอีกนานมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเรารู้จักสนองความต้องการในบางสิ่งบางอย่างพอสมควร และพร้อมกันนี้เราก็รีบฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาให้มากขึ้นเพื่อสะสมวูปัสสมาการเดินทางของเราก็จะสั้นลงโดยลำดับการปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่เป็นการฝืนธรรมชาติหรือทำอะไรอย่างวิถีการละตันหาถ้าทำให้ถูกวิธีตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้แล้ว การปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปอย่างธรรมดาและค่อยๆก้าวหน้าไปโดยลำดับข้อสำคัญขอให้พยายามศึกษาให้เข้าใจถึงคำว่าความต้องการชนิดที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์นั้นมีลักษณะอย่างไรแต่มันก็มีกฎตายตัวอยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่เข้าสมาธิไม่ได้เลยนั้น ย่ามไม่มีทางที่จะรู้จักความต้องการชนิดนี้แต่ถ้าเข้าสมาธิได้บ้างก็จะค่อยๆรู้จักแยกแยะความต้องการอันนี้ออกมาจากตัณหาได้ขอได้โปรดจำไว้ว่าคนที่ไม่เคยคิดจะละตัณหาเลยก็กินข้าวคนที่พยายามละตัณหาก็กินข้าวมองดูภายนอก อาจจะไม่เห็นอะไรแตกต่างกันแต่สําหรับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ก็จะมองเห็นว่าคนที่ไม่คิดจะละตันหากับคนที่พยายามละตันหามีวิธีกินไม่เหมือนกันมีหลักเกณฑ์ในการกินไม่เหมือนกันคนที่กินด้วยตันหาจะประสบแต่ความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการกินไม่รู้จักสิ้นสุด ส่วนคนที่กินเพื่อจะละตันหาความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องการกินจะค่อยๆน้อยลงไปโดยลำดับพร้อมทั้งสุขภาพทางร่างกายก็จะดีกว่าด้วยแม้ในเรื่องอื่นๆเช่นในเรื่องการเที่ยวเรื่องการมารมก็มีหลักอย่างเดียวกันกับในเรื่องกินดังที่กล่าวมาแล้วข้าพเจ้าขอ ย, ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า การสนองตัณหาไม่ใช่วิธีตัดความกังวลการสะสมวูปสมะาให้เกิดขึ้นภายในตัณหาคือหลักการที่แท้จริงในการตัดความกังวลคนที่จะสะสมวูปสัมมาได้ก็ต้องมีการตามใจตัวเองบ้างแต่คนประเภทนี้เขาแยกได้ว่าความต้องการชนิดไหนคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ ความต้องการชนิดไหนที่จะนำไปสู่ความพน้นทุกข์ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นสิ่งที่ละได้ยากอย่างยิ่งเพราะปัญหาทุกอย่างส่วนมากจะแก้ได้ต่อเมื่อมีเงินพอใช้และความไม่พอเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็มีอยู่เสมอไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงได้ง่ายแม้จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ตาม ก็ยังรู้สึกว่าไม่พออยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าแม่น้าเสมอด้วยตันหาไม่มีซึ่งหมายความว่าแม่น้ายังมีเวลาเต็มฝั่งบ้างในบางครั้งแต่ในใจของคนเราความต้องการไม่เคยเต็มเลยยังคงพร่องอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินจึงเอาชนะได้ยาก เว้นไว้แต่เราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตลอดและเป็นคนมีความสันโดษเท่านั้นความกังวลในเรื่องการเงินจึงจะสงบลงได้แต่การที่จะมีความสันโดษก็ไม่ใช่ของง่ายทั้งนี้ก็เพราะเรายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอีกหลายอย่างการฝึกสมาธิและการจเจริญวิปัสสนาเท่านั้น ที่จะช่วยคนเราให้รู้จักชีวิตตามความเป็นจริงและรู้จักตัวเองดีขึ้นสมาธิหมายถึงการทำใจให้สงบมีสติอยู่กับตัวนิวรณทั้งห้าไม่ครอบงำซึ่งในขณะที่ใจสงบเป็นสมาธินี้ใจก็จะเป็นเสมือนหนึ่งน้ำในสระที่ใสและนิ่งวิปัสสนา หมายถึงการรู้แจ้งเรื่องของชีวิตตามความเป็นจริงซึ่งการรู้แจ้งนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อใจเป็นสมาธิการจเจริญวิปัสสนาเปรียบเหมือนการมองดูเงาหน้าของตัวเองในน้ําซึ่งถ้าน้ําขุ่นและไม่นิ่งก็ไม่อาจจะมองเห็นเงาหน้าของตัวเองในน้ําต่อเมื่อน้ํานั้นใสและนิ่งจึงจะมองเห็นเงาของตัวเองได้ชัด คำว่าวิปัสนาซึ่งหมายถึงการรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตตามความเป็นจริงนั้นจะมีได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการพิจารณาตัวเอง บ, บ่อยๆซึ่งในการพิจารณานี้ต้องมีหลักวิชาด้วยและหลักวิชาที่ว่านี้จะได้มาก็โดยการศึกษาธรรมคนส่วนมากที่ไม่สนใจในเรื่องการทําสมาธิ ละวิปัสนาก็เพราะไปมัวหลงผิดโดยเข้าใจว่าการทําสมาธิละวิปัสนาหมายถึงการนั่งดูทางในซึ่งการดูทางในที่ว่านี้เขาหมายถึงการดูโชคชะตาหรือดูเหตุการณ์ต่างๆในทํานองเป็นหมอดูหรือเป็นนักพยากรณ์และตัวอย่างในเรื่องเหล่านี้ เท่าที่ทราบกันโดยทั่วไปก็มักจะเป็นเรื่องเหลียวไหลหาความจริงไม่ได้แล้วก็เลยดูถูกโดยเห็นว่าพวกนั่งทางไหนเป็นนักหลอกลวง คามเป็นจริงการนั่งดูทางในก็เป็นวิธีหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะคนที่ทําสมาธิและวิปัสสนานั้นถ้าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและเก่งจริงก็สามารถที่จะเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยําได้และสามารถที่จะรู้ความเร้นลับต่างๆทั้งในอดีตและอนาคตหรือจะดูเหตุการณ์ปัจจุบันก็สามารถที่จะดูได้ แต่คนที่จะทำได้อย่างนี้ต้องเป็นคนที่จิตใจบริสุทธิ์สมาธิต้องอยู่ในขั้นสูงจริงๆ จ, งจึงจะสามารถรู้ได้แต่ก็ควรจะเข้าใจไว้ก่อนว่าผู้ใดเมื่อเริ่มฝึกสมาธิก็ตั้งใจที่จะเป็นนักพยากรณ์เขาจะไม่มีทางได้ผลอันนี้เลยเพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นนักพยากรณ์หรืออยากจะเป็นผู้วิเศษนั้น จะเป็นอุปสรรคทำให้เข้าสมาธิขั้นสูงไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดความกดดันทางอารมณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างร้ายกาจต่อการทาสมาธิและคนที่สนใจทางสมาธิโดยหวังผลเช่นนี้ก็แปลว่าก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเขาก็มีความกดดันทางอารมณ์ในด้านต่างๆอยู่แล้วเช่น อยากจะมีเงินอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตัวเองได้เคยพยายามทำมาแล้วด้วยการประกอบอาชีพหรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่สำเร็จจึงคิดที่จะเดินทางลัฐโดยเชื่อว่าถ้านั่งทางในสำเร็จเขาก็จะได้สิ่งที่เขาต้องการทุกอย่างนี่คือความหลงผิดที่มักจะมีกันอยู่เสมอ ในกลุ่มของคนที่สนใจในทางนี้คนที่มีความกดดันทางอารมณ์สูงถ้าหากพื้นเดิมเป็นคนมีสมาธิดีเขาก็จะฝึกสมาธิได้โดยไม่ยากและไม่นานเท่าไหร่เขาก็สามารถจะเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งภาพที่เห็นในใจนั้นล้วนแต่เป็นภาพมายาเป็นสิ่งหลอกลวง แต่ในบางครั้งก็อาจจะเห็นจริงและพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงซึ่งคนที่มีความกดดันทางอารมณ์พอได้พบของจริงสักครั้งหรือสองครั้งก็จะตื่นเต้นดีใจอย่างมากและมักจะคิดว่าตนสําเร็จแล้วความหลงผิดเกี่ยวกับเรื่องตัวเองก็จะเกิดขึ้นและก็มักจะคุยหรือพูดถึงแต่ เ, เรื่องที่เป็นจริงที่พิสูจน์ได้นี้เท่านั้น ส่วนเรื่องที่ไม่เป็นจริงเป็นเรื่องของความคิดฝันไปเองซึ่งแน่นอนตัวเขาเองเขาก็รู้แต่เขาจะไม่พูดถึงเพราะกลัวคนจะไม่นับถือจึงได้หาอุบายต่างๆเพื่อจะหลอกคนอื่นให้เชื่อตามซึ่งในเมื่อตัวเองพื้นเดิมเป็นคนที่มีความกดดันและมีสมาธิดีมีข้อคิดบางอย่างพิสูจน์ได้ ความอยากอย่างรุนแรงที่จะให้คนอื่นเลื่อมใสในตัวเองอันนี้แหละนานๆเข้าอุบายที่หลอกคนอื่นนี้ก็จะกลับมาประหารตัวเองคือทำให้ตัวเองหลงเชื่อไปว่าทุกอย่างที่มองเห็นทางในนั้นล้วนแต่เป็นความจริงเพราะเขาจะไม่คิดหาทางพิสูจน์หรือทดสอบเนื่องจากกลัวว่า ถ้าพิสูจน์แล้วคนทั้งหลายจะไม่เชื่อและด้วยเหตุนี้เองคนนั่งทางในที่เห็นนิมิตอะไรต่างๆนั้นในที่สุดก็กลายเป็นคนเสียสติหรือเป็นบ้าไปหรืออย่างน้อยก็เป็นคนหลงตัวเองสำคัญตัวเองผิดโดยคิดว่าตนเป็นผู้วิเศษการนั่งทางในซึ่งในความหมายเดิม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงมากก็กลายเป็นเรื่องที่คนทั้งหลายดูถูกฉะนั้นเมื่อเห็นใครหันมาสนใจในทางนี้ก็มักจะตักเตือนไม่ให้สนใจเพราะเขานึกถึงตัวอย่างที่เคยเห็นคนบางคนเสียสติมาแล้วผู้ที่จะฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนาให้ได้ผลจริงๆ จะต้องเป็นคนไม่มีความกดดันทางอารมณ์และจะต้องไม่คิดที่จะวิชานี้ไปแสวงหาราบสักการะแต่ตรงกันข้ามใครต้องการที่จะหัดทําใจให้สงบเพื่อหวังความพ้นทุกข์เพื่อความบริสุทธิ์จากกิเลสเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในคําสอนของพระพุทธเจ้าคนที่สนใจโดยมีจุดหมายเช่นนี้ การปฏิบัติของเขาจะไม่ออกนอกรูกนอกทางในเมื่อลงมือปฏิบัติไม่นานเท่าไหร่ก็จะเห็นผลซึ่งผลที่ว่านี้ไม่ใช่หมายความว่านั่งแล้วรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆดังที่มักจะถามกันบ่อยๆว่าคุณนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรบ้างข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคนที่นั่งสมาธิ เพื่อหวังจะเห็นอะไรตามความหมายของคนทั่วไปนั้นเป็นวิธีที่ผิดถ้าหากว่าคนไหนจะเกิดเห็นอะไรขึ้นมาโดยเห็นจริงๆและถูกต้องด้วยการเห็นเช่นนี้จะต้องไม่ใช่เกิดจากความอยากจะมีชื่อเสียงหรืออยากจะได้ลาบสการะแต่เป็นผลพลอยได้ที่ทุกคนจะต้องได้เสมอ ถ้าหากใจบริสุทธิ์อย่างเพียงพอและมีสมาธิสูงจริงๆซึ่งน้อยคนมากที่จะทำได้ในคำพีเคยกล่าวไว้ว่าในจำนวนคนนับเป็นแสนที่เข้ามาฝึกสมาธินั้นที่จะได้ผลในทางนี้จริงๆแม้สักคนหนึ่งก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเตือนว่า ถ้าท่านคิดจะสนใจในทางนี้ก็ขอจอะได้สนใจเพื่อหวังผลจากการนั่งทางไหนตามความหมายของคนทั่วไปเป็นอันขาดการฝึกสมาธิและการเจริญวิปัสสนาเป็นของจำเป็นสำหรับทุกคนและเป็นเรื่องที่ปฏิบัติไม่ยากถ้าคนไหนตั้งใจจริงๆก็จะได้ผลทุกรายพระผลที่ว่านี้ หมายถึงการทำใจให้สงบครั้นแล้วก็เริ่มพิจารณาตัวเองเพื่อความคลี่คลายทางอารมณ์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันโดยธรรมดาคนเราเมื่อมีการกินแล้วก็ต้องมีการถ่ายถ้าไม่ถ่ายเป็นเวลาหลายวันก็ย่อมจะต้องถึงแก่ความตายท่านทราบหรือไม่ว่าอารมณ์ที่เสีย เข้าไปสู่จิตใจของคนเราทุกวันซึ่งบางคนก็มีอารมณ์เสียเกือบทั้งวันนี่คือการรับเอาสิ่งที่เป็นพิษสำหรับจิตใจเข้าไปถ้าไม่มีการถ่ายออกสุขภาพทางจิตก็จะเสื่อมโทรมลงโดยลำดับถึงขั้นเป็นโรคประสาทและในที่สุดก็อาจจะถึงเสียสติและเป็นว่าไปได้และที่เป็นกันมากที่สุด คือในเมื่อสุขภาพทางจิตเสื่อมโทรมแล้วก็ทําให้เกิดโรคทางกายได้ง่ายและถ้าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากทางจิตตราบใดที่ยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุในทางจิตใจโรคนั้นจะรักษาหายยากถึงแม้ในบางครั้งจะรักษาหายแล้วแต่ในไม่ช้ามันก็จะต้องเป็นอีกและไม่เฉพาะแต่เพียงร่างกายเท่านั้น ที่จะเกิดขึ้นโดยง่ายการเสื่อมโทรมของสุขภาพทางจิตนั้นยังทําให้สมรรถภาพในการทํางานเสื่อมลงอย่างรวดเร็วอีกด้วยผลเสียหายที่เกิดจากการมีอารมณ์เสียมีมากมายและก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะป้องกันและแก้ไขได้ก็คือเราต้องหมันนั่งสมาธิและเจริญวิปัสสนาทุกวัน เหมือนกับเมื่อเรากินแล้วก็ต้องถ่ายทุกวันการปล่อยอารมณ์เสียให้ตกค้างอยู่ในจิตใจนานๆเป็นผลเสียหายอย่างยิ่ง การทำใจให้สงบแล้วพิจารณาตัวเองนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของคําว่าทําสมาธิและเจริญวิปัสนาการฝึกสมาธิในแบบง่ายๆสําสหรับคนทั่วไปก็คือการฝึกหัดบังคับใจให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกพร้อมกับให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้กําลังหายใจเข้าขณะนี้กําลังหายใจออก กำหนดลมที่ผ่านเข้าผ่านออกได้ทุกขณะนี่คือหลักโดยย่อของการทําสมาธิและสําหรับคนที่ฝึกไว้จนชํานาญนา น, น, านพอมีอารมณ์เสียเกิดขึ้นเพียงแต่สูตรลมหายใจเข้ายาวๆลึกๆหายใจออกช้าๆทาเพียงครั้งสองครั้งใจก็จะสงบการทําแบบนี้ท่านจะเห็นว่าเราสามารถทําได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ปัญหาสําคัญมีอยู่แต่เพียงว่าเมื่อเราสูดลมหายใจเข้าออกในแบบดังที่กล่าวมาแล้วจะสามารถทําให้ใจสงบได้จริงหรือไม่ถ้าทําได้ทุกครั้งก็แปลว่าท่านเป็นผู้ประเสริฐโดยแท้เป็นคนที่มีโชคดีอย่างมากที่สุดเพราะว่าน้อยคนนักที่จะทําได้ที่เขาทาไม่ได้ก็เพราะเขาไม่เคยสนใจในการฝึกสมาธิ แต่ถ้าท่านสนใจตั้งหน้าฝึกสักพักหนึ่งจนมีความชํานาญแล้วท่านก็จะได้ใช้สมาธิอันนี้ตลอดไปตราบชั่วชีวิตซึ่งไม่มีวันไหนเวลาใดที่ท่านจะไม่ต้องใช้สมาธิเมื่อเราฝึกเอาไว้ดีแล้วเราจะได้ใช้ตลอดไปจริงๆและใช้อยู่เสมอยิ่งใช้ก็ยิ่งมีความชํานาญเวลาจะตายก็จะตายอย่างเป็นสุข ด้วยใจที่สงบและแจ่มใสการฝึกสมาธิมีหลายวิธีบางคนอาจจะใช้วิธีนึกถึงคำสุภาษิตรหรือนึกถึงคำเตือนสติซึ่งพอนึกขึ้นมาแล้วใจก็สงบทันทีหรือบางคนก็อาจจะนึกถึงภาพอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งในเมื่อภาพนั้นปรากฏในใจแล้วใจสงบและยังมีวิธีอื่นๆ อ, อ, อีกหลายอย่าง ในที่นี้ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวถึงเพราะตำราเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าเคยเขียนไว้แล้วและที่คนอื่นๆเขียนไว้ก็มีอีกเพียงแต่ขอให้สนใจเท่านั้นท่านก็จะหาตำราหรือหาครูสอนได้โดยไม่ยากคนที่ไม่มีความกดดันทางอารมณ์และเป็นคนที่อยู่ในเหตุผลไม่ใช้อารมณ์จนเกินไป คนประเภทนี้ฝึกสมาธิง่ายคือหมายความว่าพอเริ่มลงมือฝึกไม่นานเท่าไหร่ใจก็จะสงบและมีความแจ่มใสเกิดขึ้นซึ่งเมื่อทําได้อย่างนี้แล้วทุกคนก็จะชอบทำและเมื่อทํำบ่อยๆความสงบภายในที่เรียกว่าวูปะสมาก็จะมีมากขึ้นความสงบอันนี้แหละ คือตัวการที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนเราระ ง, งับความฟาุ้งซ่านระงับความวิตกกังวลได้ไง่ายๆถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้นฉะนั้นสำหรับคนที่สะสมไว้อย่างเพียงพอแล้วไม่ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นพสูตรลมให้ใจเข้าออกสองสามนาทีใจก็จะสงบทันที หรือเพียงแต่นึกถึงคำเตือนสติหรือคำที่เป็นบทเรียนในทางวิปัสสนาใจก็จะสงบทันทีและในที่สุดความสงบที่ว่านี้ก็จะกลายเป็นอานาจต้านทานโดยอัตโนมัติต่อความทุกข์และต่อกิเลสต่างๆหมายความว่าไม่ว่าเราจะกระทบกับอารมณ์ที่เคยก่อให้เกิดความไม่สบายใจ หรือเคยก่อให้เกิดกิเลสมาแล้วสักเพียงไรซึ่งเมื่อก่อนพอกระทบก็ขมไม่อยู่ทั้งๆ ท, ที่ได้ใช้ความพยายามและกว่าจะสงบได้ก็เป็นเวลานา น, านแต่สำหรับคนที่มีความสงบภายในอย่างเพียงพอความทุกข์จะไม่เกิดกิเลสก็จะไม่เกิดคือจะรู้สึกเฉยไปเองถ้าคนไหนปฏิบัติมาได้ถึงขั้นนี้ ก็นับว่าเป็นผู้ที่ปลอดภัยมากที่สุดทั้งในชาตินี้และชาติหน้าต่อไปทุกทุกชาติคนที่จะมีโชคดีดังที่กล่าวมานี้มีน้อยมากทั้งนี้ก็เพราะคนทั่วไปไม่ค่อยจะได้สนใจในเรื่องนี้มัวแต่ไปสนใจในด้านอื่นมากเกินไปเช่นเดียวกับคนส่วนมากในสมัยนี้มีความโลภมากในเรื่องการเงิน มุแต่จะหาเงินจนกระทั่งสุขภาพทางร่างกายเสื่อมโทรมเพราะคิดว่าเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเรามีเงิ น, ม, นมีเกียรติมีความรู้มีสิ่งเทียมหนวยความสะดวกอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่มีความทะเยอทะยานในเรื่องเหล่านี้มากยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้มากผลเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือจะมีความฟุ้งซ่านอยู่เสมอ ใจไม่ค่อยสงบความกดดันทางอารมณ์ก็มีมากและเมื่อเป็นอย่างนี้กันมานานจนเรื้อรังต่อมาภายหลังในเมื่อรู้สึกตัวอยากจะแก้ไขจึงหันมาสนใจในทางสมาธิแต่แล้วก็ทำไม่ได้ในที่สุดก็เบื่ออีกและหันไปดำเนินชีวิตแบบเดิมอีกคนส่วนมากเกิดจะทั้งโลก ก็มักจะเป็นกันแบบนี้โดยไม่รู้สึกตัวเลยว่าความฟาุ้งซ่านความไม่สงบความกดดันในทางอารมณ์ต่างๆนั้นมีผลเสียหายร้ายแรงเพียงใดและจะมีผลยืดเยื้อไปถึงชาติหน้าอีกด้วยซึ่งจะสังเกตได้จากเด็กๆ เ, เป็นจำนวนมากแม้จะพยายามชักจูงก็ไม่สนใจในการนั่งสมาธิ เพาได้ทดลองนั่งแล้วแต่นั่งไม่ได้ซึ่งเด็กพวกนี้จิตใจอ่อนแอความคิดไม่ลึกซึ้งตกเป็นทาสของการชักจูงของสิ่งแวดล้อมได้ง่ายคอยสังเกตดูเรื่องแฟชั่นต่างๆหรือความนิยมที่เป็นไปตามสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทํางานหรือวิธีการดําเนินชีวิตคนที่ตกเป็นทาสการชักจูง หรือการเอาอย่างคนอื่นแม้ในทางซึ่งไม่สู้จะมีเหตุผลนั้นมีมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีสำหรับคนที่รู้สึกตัวและแน่ใจแล้วว่าการฝึกสมาธิเท่านั้นที่จะช่วยแก้ปัญหายุ่งยากต่างๆได้แต่ฝึกไม่ค่อยได้นั้นก็มีอีกวิธีหนึ่งคือใช้บทวิปัสสนาแทนลมหายใจ หมายความว่าในครั้งแรกเราก็ใช้วิธีกำหนดลมหายใจหรือจะนึกถึงภาพอะไรก็ได้พอให้ใจสงบเพียงชั่วขณะครั้นแล้วก็ให้นึกถึงคำพูดที่เป็นบทวิปัสสนาซึ่งคำพูดเหล่านี้จะต้องใช้หลายๆลยอย่างเช่นเดียวกับยารักษาโรคซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีอะไรแตกต่างกันไปบ้าง ตามพื้นอุปนิสัยหรือสิ่งแวดลอ้อมแต่ในเรื่องนี้คนที่จะเลือกบทวิปัสสนาที่เหมาะสมได้จริงๆนั้นจะต้องเป็นคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอย่างแจ่มแจ้งเช่นเดียวกับหมอเมื่อจะทำการรักษาโรคใครก็ต้องตรวจดูร่างกายของคนนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนเมื่อรู้แน่ว่าเป็นโรคอะไรแล้วจึงจะทำการรักษา อันหนึ่งโดยธรรมดาไม่มีบทวิปัสนาบทใดที่คนหนึ่งใช้ได้ผลแล้วอีกคนหนึ่งก็จะใช้ได้ผลเหมือนกันโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเสบ้างทั้งนี้เพราะการจะใช้บทวิปัสนาให้ได้ผลจริงๆนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับจังหวะของความรู้สึกเนืกกิจและสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างแต่โดยปกติแล้ว หลักที่ใช้โดยใหญ่ๆก็เหมือนกันทั้งสิ้นส่วนความยุ่งยากอยู่ตรงที่ว่าในจังหวัดนี้ควรจะใช้บทอะไรจึงจะได้ผลคือสามารถระ ง, งับความฟุ้งซ่านระ ง, งับความวิตกกังวลได้ทันทีซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าจะนำไปเขียนไว้ในตอนต่อไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ บทวิปัสสนาเพื่อแก้วความวิตกกังวลในเรื่องการเงินชีวิตคือการเดินทางจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของการเดินทางนั้นไม่ใช่อยู่ที่การมีเงินมีชื่อเสียงหรือมีโอกาสได้ทําอะไรตามความต้องการของตันหาแต่อยู่ที่การเอาชนะตันหาได้หมดทุกอย่างแล้วชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์ทุกด้าน นี่คือจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตการตามใจตัณหาในบางครั้งเป็นเพียงการช่วยเหลือเพื่อให้การเดินทางเป็นไปได้โดยสะดวกเท่านั้น ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินจะระ ง, งับได้ง่ายมีอยู่วิธีเดียวคือต้องหัดให้เป็นคนมีนิสัยสันโดษคือรู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่มีทางระ ง, งับได้เลยแต่การที่จะหัดให้เป็นคนมีนิสัยสันโดษก็เป็นสิ่งที่ยากอย่างยิ่งเพราะถ้าหัดไม่ถูกวิธีแทนที่จะกลายเป็นคนมีนิสัยสันโดษ ก็จะกลายเป็นคนมีนิสัยเฉื่อยชาขี้เกียจชีวิตไม่มีการก้าวหน้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีนิสัยสันโดษในลักษณะที่ถูกต้องนั้นจะเป็นคนที่รู้จักใช้เวลาทุกนาทีให้เกิดประโยชน์ชีวิตจึงจะมีความก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและต้องเป็นคนที่มีนิสัยขยัน รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่แต่คนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่าความสันโดษก็คือการอยู่กับที่ไม่มีการก้าวหน้าเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องพยายามศึกษาเรื่องสันโดษพร้อมทั้งวิธีฝึกหัดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในตอนก่อนว่าคนที่ไม่รู้จักสันโดษ ก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องชีวิตหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านควรจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องคำว่าจนและมั่งมีซะก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสันตุถีปรมังทนงความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งหมายความว่าคนที่มีความสันโดษได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ร่ำรวยหรือได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีทรัพย์อันประเสริฐยิ่ง ความสนโดดหมายถึงการรู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่และรู้สึกเป็นสุขในเมื่อตัวเองมีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือในฐานะที่เป็นอยู่แม้ว่าจะขาดแคลนหรือยากจนสักเพียงใดก็ตามแต่คนที่จะรู้สึกอย่างนี้ได้จะต้องเข้าใจความหมายของคําว่าจนและมั่งมีเสียก่อน จนแปลว่ามีไม่พอกับความต้องการหรือความจำเป็นมั่งมีหมายความว่ามีพอใช้หรือเหลือใช้เกินความต้องการความหมายของคำทั้งสองนี้ต้องพยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งคนที่มีเงินมากมาย น, าน้นแม้ว่าตามความรู้สึกของคนอื่นเขาเห็นว่ามีเหลือเฟือ แต่ในเมื่อเศรษฐียังรู้สึกว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการหรือความจำเป็นก็แปลว่าเขายังจนอยู่ไม่ใช่คนร่ำรวยและดูเหมือนว่าคนทั่วไปนั้นยิ่งมีมากก็ยังมีความโลภมากคือยังมีความอยากที่จะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่รู้จักสิ้นสุดและครั้นแล้วเงินที่มีอยู่ มันก็ไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายด้วยเหตุนี้เขาจึงต้องดิ้นรนขนขวายหาให้มากขึ้นส่วนคนบางคนในเมื่อรู้จักพอและรู้จักใช้จ่ายรู้จักตัดความต้องการที่เกินฐานะหรือภาวะของตัวออกไปได้เขาก็จะรู้สึกสบายรู้สึกว่าพอกินพอใช้ซึ่งในความหมายของคนอื่นเขาอาจจะเห็นว่า คนนี้เป็นคนจนและถ้าคนจนที่ว่านี้ไม่เข้าใจเรื่องชีวิตก็จะรู้สึกว่าตนเองเป็นคนจนจริงๆแต่ถ้าเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องเขาจะรู้สึกว่าแม้เขาจะมีฐานะแรนแคนอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนรวยไม่ใช่คนจนซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเอง แต่เป็นการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงเช่นตัวอย่างในสมัยครั้งพุทธกาลมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสุ ป, ปะพุทธะเป็นโรคเรื้อนและเป็นคนขอทานต่อมาภายหลังได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันมีอริยรัพเจดประการอยู่ในตัวเองอย่างมั่นคงคือมีศรัทธา ศีลฮิริโอต ป, ปะสุตะจาคะและปัญญาเพราะเหตุที่นายสุปาพุทธะรู้อยู่แก่ใจว่าตนเองมีอริยทรัพย์เจ็ดประการนี้บริบูรณ์ทั้งที่ฐานะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่เขาก็รู้สึกว่าบัดนี้เขาไม่ใช่คนยากจนอีกต่อไปแล้วซึ่งข้อความในคำภีก็ได้กล่าวรับรองไว้ว่า หญิงหรือชายผู้ใดก็ตามมีทรัพย์เจ็ดประการเหล่านี้คือศรัทธาศีลฮิริโอตัปปะสุตะจาคะปัญญาอยู่ในตนปราดทั้งหลายย่อมกล่าวว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่คนจนชีวิตของผู้นั้นย่อมไม่เป็นโมคะข้อความที่อ้างมานี้ถ้าชิธิบายกันโดยละเอียดแล้วเป็นเรื่องที่ยาวมาก แต่อย่างไรก็ดีคนที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนร่ำรวยนั้นข้อสำคัญจะต้องเข้าใจว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากของตัวฐานะภายนอกเ่องเกิดมาจากฐานะภายในถ้าหากคนไหนเข้าใจเรื่องนี้จริงๆและรู้ตัวว่าตัวเองมีอริยทรัพ์เจดประการและมีอย่างบริบูรณ์ มีอย่างมั่นคงด้วยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนยากจนอีกต่อไปแล้วซึ่งเป็นความแน่ใจที่ไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองและความแน่ใจอันนี้เองที่ทำให้เขารู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ต้องการอะไรเกินกว่าฐ า, านะที่เขาควรจะมีควรจะได้เพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเขาเป็นคนร่ำรวย อันหนึง่งข้อที่ว่าคนที่มีอริยทรัพย์อย่างบริบูรณ์จะไม่เป็นคนจนอีกต่อไปนั้นหมายความว่าถ้าเขาจะต้องเกิดอีกไม่ว่าจะเกิดเป็นคนหรือเป็นโอปะปะติกะขึ้นชื่อว่าความแาลดแคลนใดๆเขาจะไม่ประสบอีกต่อไปคือเขาจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเหลือใช้หาได้โดยไม่ยากและทรัพย์ที่มีอยู่ ก็จะไม่ทาให้เขาเดือดร้อนด้วยทางนี้เพราะอะไรก็เพราะเขาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและเชื่ออย่างมั่นคงที่สุดว่าทรัพย์ภายนอกเกิดมาจากทรัพย์ภายในเหมือนอย่างต้นไม้ย่อมเกิดจากเชื้อของมันต้นไม้จะเป็นต้นอะไรไม่ใช่สำคัญอยู่ที่ดินฟ้าอากาศก็ในเมื่อเขารู้อยู่แก่ใจว่า เขามีทรัพย์ภายในบริบูรณ์เช่นนี้เขาจึงได้แน่ใจว่าต่อแต่นี้ไปเขาจะไม่เป็นคนยากจนอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดมาอีกสักกี่ชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนคือความขาดแคลนมีทรัพย์สมบัติไม่พอใช้นั้นจะไม่ประสบอีกต่อไปตราบเท่าบรรลุถึงนิพพานคนที่หากินกันตัวเป็นเกลียว ไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินจะนอนเพราะความโลภในเรื่องการเงินคนประเภทนี้ขอให้สังเกตว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องชีวิตคล้ายๆกับเขาเข้าใจว่าต้นไม้เกิดจากดินไม่ใช่เกิดจากเมล็ดคนประเภทนี้ถ้าจะมองเห็นว่าทรัพภายนอกเกิดจากทรั์ภายในเขาก็จะมองเห็นแต่เพียงว่า ทรัพย์ภายนอกทุกอย่างเน่าเกิดขึ้นจากความขยันความอดทนความฉลาดการรู้จักคบเพื่อนการรู้จักใช้จ่ายการ ม, มีโอกาสดีหรือมีผู้สนับสนุนดีคนส่วนมากถ้าหากจะมองเห็นว่าทรัพย์ภายนอกเกิดจากทรัพย์ภายในก็จะมองเห็นเพียงแค่นี้เท่านั้นแต่อีกข้อหนึ่ง คือการบริจาคทานหรือการเสียสละซึ่งเป็นพืชอแห่งความร่ำรวยโดยตรงคนส่วนมากมองไม่เห็นแต่ถ้าคนไหนมองเห็นแล้วเขาก็จะรู้สึกสบายใจอย่างที่สุดและความสโดวก็จะเกิดขึ้นได้ทันทีต้นมะม่วงย่อมเกิดจากมาเมล็ดมะม่วงมเมล็ดมะม่วงได้ชื่อว่าเป็นสาเหตุโดยตรงของต้นมะม่วงฉันใด การบริจาคทานก็เปรียบเหมือนเมล็ดมะม่วงคือเป็นสาเหตุโดยตรงของความร่ำรวยส่วนความขยันความฉลาดหรือการมีโอกาสดีหรือการทำความดีใน ด, ด้านอื่นทั้งหมดที่ว่านี้เป็นเพียงส่วนประกอบที่จำเป็นจะต้องมีเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีก็รวยขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้เช่นคําว่าอุตถาตาวินทเตทนางคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้และในที่วางแห่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าปลวกทั้งหลายย่อมสร้างจองปลวกขึ้นทีละน้อยด้วยความขยันมันเพียนฉันใดคนเราก็ควรจะมีความขยันเหมือนปลวกฉันนั้นจากคําสอนในลักษณะนี้ท่านจะเห็นว่า ความร่ำรวยจะเกิดขึ้นจากความขี้เกียจหรือจากการไม่ทำอะไรนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ถึงกระนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าคนที่จะเกิดมาร่ำรวยนั้นเป็นเพราะในชาติก่อนได้บริจาคทานไว ม, มากการที่เขาไปเจ้ากล่าวว่าคนที่ไม่รู้จักสันโดษก็เพราะไม่เข้าใจเรื่องชีวิตนี้ ขอยสังเกตดูจากข้อความที่กล่าวมาแล้วคนส่วนใหญ่เกือบจะทั้งโลกทีเดียวมีความเห็นว่าคนเราจะร่ำรวยก็ต่อเมื่อขยันหาและสะสมไว้ถ้าจะใช้ก็ต้องพิจารณาว่าจะได้ประโยชน์ตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ถ้าหามาได้เท่าไหร่ก็ให้เข้าไปทั้งหมดก็จะไม่มีวันที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้เลย และบางคนมีความคิดไปไกลกว่านี้อีกคือคิดว่าการโกงหรือการเอาเปรียบคนอื่นการลักขโมยการใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างเท่าที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัตินั้นเป็นสิ่งจําเป็นเพราะถ้าไม่ทําเช่นนั้นก็ไม่มีทางที่จะร่ารวยขึ้นมาได้และตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเช่นนี้ก็มีมากด้วยเหตุนี้ คนทั้งหลายจึงได้เข้าใจเรื่องชีวิตผิดเช่นเดียวกับคนเกือบจะทั้งโลกเข้าใจว่าคนเราเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมาพระมองเห็นได้ด้วยตาเช่นนั้นน้อยคนมากที่จะเข้าใจว่าวิญญาณของเราต่างหากที่เป็นผู้สร้างตัวเราขึ้นมาพ่อแม่เป็นเพียงส่วนประกอบที่จำเป็นอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะการเกิดจากพ่อแม่เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ง่ายแต่วิญญาณมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงนึกไม่ถึงว่าคนเราเอากำเนิดมาจากวิญญาณคนไหนถ้ายังเข้าใจอยู่ว่าหามาได้แล้วก็ต้องเก็บถ้าจะให้อะไรแก่ใครก็ต้องคิดซะก่อนว่าจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ก็แปลว่า เขายังเข้าใจชีวิตผิดและไม่มีทางที่จะเป็นคนสัญดวจขึ้นมาได้เลยและน่าจะหมายถึงว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินเขาก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้เขาจะต้องถูกทรมานด้วยความวิตกกังวลอันนี้ไปจนตลอดชีวิตและจะยิ่งหนักขึ้นทุกวันในเมื่อความโลภมีมากขึ้นความเห็นแก่ตัวมีมากขึ้น ซึ่งในที่สุดเขาก็จะตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่าตกนรกทั้งเป็นซึ่งเวลานี้คนเป็นกันมากสมบัติภายนอกเกิดจากสมบัติภายในชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากเมื่อต้นมันตายแต่มเมล็ดมันยังอยู่ก็แปลว่าทุกอย่างยังอยู่และพื่อแห่งความร่ำรวยหรือสาเหตุโดยตรงแห่งความร่ำรวยนั้น คือการบริจาคทานหรือการเสียสละไม่ใช่ความขยันความฉลาดหรือการมีโอกาสดีอย่างนั้นอย่างนี้หลักสั้นๆเหล่านี้ทั้งหมดนี่แหละคือบทวิปัสสนาที่จะต้องมันนึกบ่อยๆรับรองได้ว่าถ้าเข้าใจซึ่งในบทวิปัสสนาเหล่านี้ก็จะตัดความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ง่ายมาก และจะเป็นคนที่มั่งมีอยู่เสมอไม่ว่าจะมีฐานะแรนแครนหรือว่ามั่งมีสักเพียงไรฐานะภายนอกจะไม่สามารถทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนจนแต่ประการใดและพร้อมกันนี้เขาก็จะมีความสุขอยู่เสมอจนตลอดชีวิตและยั่งยืนไปถึงชาติหน้าทุกๆชาติด้วยอันหนึง่งคนที่ไม่เคยบริจาคทานนั้น จะไม่มีทางตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินไปได้เลยแม้เขาจะมีเหลือใช้สักเพียงไรก็ตัดไม่ได้ทางนี้เพราะเขายังไม่ได้หัดปล่อยวางในเรื่องทรัพสมบัติยังมีความโลภคือติดอยู่ในเรื่องวัตถุมากมองเห็นแต่เพียงด้านเดียวว่าเขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อต้องมั่งมีและจะมั่งมีขึ้นมาได้ก็ต้องหาอย่างนั้นอย่างนี้ จะต้องเก็บรักษาไว้อย่างนั้นอย่างนี้นั่งที่คนทั้งหลายทำกันอยู่ วันที่แล้วข้าพเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่าคนที่จะระ ง, งับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้จะต้องเป็นคนรู้จักสันโดษคนที่ไม่สันโดษจะไม่มีทางระ ง, งับความกังวลได้เลยยิ่งมีมากก็ยิ่งกังวลมากถ้ายิ่งหาได้ไม่พอกับความต้องการหรือความจําเป็นก็ยังมีความกังวลมากขึ้นแต่คนที่จะสันโดษได้ จะต้องเป็นคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลายอย่างและในตอนที่แล้วข้าพเจ้าได้ชี้ให้เห็นว่าคนที่จะมีความสันโดษจะต้องเป็นคนที่เข้าใจซึ่งในหลักที่ว่าทรัพย์ภายนอกเกิดจากทรัพย์ภายในชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากเพราะทุกคนย่อมมีชะตาชีวิตเป็นของตัวเอง และต้องเป็นไปตามชะตาที่วิบากกาหนดไว้ตั้งแต่เกิดหลักที่ว่า น, นี้ข้าพเจ้าได้เคยที่บายมามากแล้วสำหรับในวันนี้จะให้แง่คิดอีกอันหนึ่งซึ่งหลักอันนี้ถ้าหากเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วก็จะทำให้รู้จักระงับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ดีคนส่วนมากเข้าใจว่า ถ้าปรารถนาสิ่งใดได้สมความปรารถนาก็ถือว่าเป็นโชคดีถือว่าเป็นเคราะห์ดีแต่น้อยคนมากที่จะรู้สึกว่าความสุขที่เกิดจากการได้อะไรสมความปรารถนานั้นคือยาพิษส่วนความผิดหวังคือความสำเร็จหลักอันนี้ยังไม่มีใครค่อยเข้าใจกันนักและหลักอันนี้แหละซึ่งในเมื่อเข้าใจดี พร้อมกับตัวเองเป็นคนมีความสันโดษด้วยก็จะทําให้เป็นคนที่เยือกเย็นอยู่เสมอสบายใจอยู่เสมอไม่ว่าการเงินจะเป็นอย่างไรคือจะได้มาหรือเสียไปก็เป็นผลดีด้วยกันทั้งนั้นคือถ้าได้ก็ดีไปอย่างหนึ่งที่ทําให้แก้ปัญหาต่างๆได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ดีไปอีกอย่างหนึ่ง คือทำให้ชีวิตภายในมีความสมบูรณ์ขึ้นหากทำใจให้สบายได้ซึ่งจุดนี้สำคัญยิ่งกว่าจุดแรกอยากได้อะไรหรืออยากทำอะไรอยากไปไหนเมื่อได้สมความปรารถนาก็ทำให้มีความสุขแต่ความสุขที่ว่านี้ถ้าหากไม่รู้จักป้องกันหรือไม่รู้จักประมาณในเรื่องความสุข ความสุขที่ว่านี้ก็จะกลายเป็นยาพิษยอย่างแน่นอนขอให้สังเกตดังนี้คนที่อยากได้อะไรเมื่อได้สมความปรารถนาความอยากก็จะรุนแรงและเคยตัวคือเมื่ออยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้เดี๋ยวนั้นแต่ถ้าไม่ได้ก็เกิดความทุกข์อย่าลืมว่าเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นในใจ เมื่อ น, นั้นวิบากเข้ามนย่อมเกิดขึ้นในสันดานคนที่ฉลาดหาเงินได้ง่ายมีคนคอยเอาใจอยู่เสมอหรือคนที่ใครๆก็รักใครๆก็คอยแต่จะตามใจคนประเภทนี้ถ้าพื้นเดิมจิตใจไม่สูงจะต้องกลายเป็นคนเสียนิสัยทุกคนคือเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองถ้าใครมาขัดใจแม้เพียงเล็กน้อยก็โกรธ ท่านทราบหรือเปล่าว่าคนที่มีนิสัยแบบนี้จิตใจมักจะขุนมัวอยู่เสมอแม้จะมีเงินมีความรู้มีเกียรติเพียงไรมันก็ช่วยหาอารม์แจ่มใสมีจิตใจเบิกบานอยู่เสมอไม่ได้การอยากได้อะไรก็ได้อย่างใจปรารถนาเสมอจะไม่เป็นพิษเป็นภยัยก็เฉพาะแก่คนที่มีพื้นจิตใจสูง ด้วยคุณธรรมต่างๆเช่นมีความเมตตากรุณามีความยุติธรรมและเหนือสิ่งอื่นใดจะต้องเป็นคนที่รู้จักปล่อยวางหัดในเรื่องการปล่อยวางมามากแล้วคนประเภทนี้เท่านั้นจึงจะไม่เสียแต่สำหรับคนซึ่งเพื่อนเดิมเป็นคนใจต่ำเช่นเห็นแก่ตัวโลภมากเป็นคนขี้อิจฉาริษยา ปัญหาราคารุนแรง ท, ที่มานะมีมากความหลงผิดก็มีมากบุคคลประเภทนี้ถ้าหากเป็นคนที่ถ้าอยากได้อะไรก็มักจะได้อย่างใจเสมอซึ่งจะเนื่องมาจากเพราะมีคนรักมากหรือเพราะเป็นคนมีเงินหรือเพราะอะไรก็ตามที่จะไม่เสียคนนั้นเป็นอันว่าไม่มีคอยสังเกตดูจากเด็กๆ ที่เกิดมาในตระกูลที่พ่อแม่มีฐานะดีซึ่งพ่อแม่มักจะเลี้ยงด้วยการเอาอกเอาใจคอยตามใจอยู่เสมอเด็กประเภทนี้เมือ่อโตขึ้นจะเห็นได้ชัดว่านิสัยมักจะเสียและมักจะเป็นคนอ่อนแอส่วนเด็กที่ไม่เสียเป็นเพราะพื้นเดิมเป็นคนมีจิตใจสูงดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การที่อยากได้อะไรแล้วได้สมความปรารถนาเสมอนั้นไม่ใช่เป็นของดีการผิดหวังคืออยากได้อะไรแต่แล้วไม่ได้อยากให้เป็นอย่างไรแต่แล้วก็ไม่ได้เป็นอยากจะไปไหนแต่แล้วก็ไม่ได้ไปความผิดหวังที่เกิดขึ้น บ, บ่อยๆในลักษณะนี้อันที่จริงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก มีประโยชน์เสียยิ่งกว่าการส่งความปรารถนาเสียอีกและไม่มีทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการจะปรับปรุงจิตใจของตัวเองให้ได้มาตรฐานคือแปลว่าความผิดหวังเท่านั้นที่จะช่วยสร้างจิตใจให้สมบูรณ์ซึ่งในที่สุดจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ทุกอย่างความไม่สาเร็จก็คือความสาเร็จ นี่คือหลักความจริงที่ไม่มีข้อยกเว้นเมื่อพูดถึงในแง่ของการสร้างจิตใจสมบูรณ์หรือพูดอีกนายหนึ่งแม้คนที่จะประสบความสาเร็จในด้านการงานหรือในเรื่องการเงินหรือในเรื่องอะไรก็ตามถ้าในอดีตไม่เคยประสบความล้มเหลวมาเลยเขาก็ไม่มีทางที่จะประสบกับความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ในชีวิต ที่เคยกล่าวกันว่าความผิดคือครูคนแรกซึ่งเราเข้าใจกันดีว่าหมายความว่าอย่างไรแต่ในความหมายที่แท้จริงแล้วมันลึกซึ่งยิ่งกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจกันมากหมายความว่าคนที่ไม่เคยประสบกับความผิดพลาดหรือความผิดหวังก็จะไม่เคยพบกับความถูกต้องเลยเป็นอันขาด และถ้าหากพบแต่ความผิดหวังเล็กๆในน้อยส่วนความผิดหวังที่ใหญ่ๆหรือที่ร้ายแรงไม่เคยพบหรือพบมาน้อยก็ไม่มีทางที่จะประสบความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ได้ในชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่ท่านต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้เพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่รู้จักตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้เลย มีสูตรอยู่อันหนึ่งซึ่งทุกคนควรจะจำเอาไว้คือคำว่าถ้าหาความผิดหวังเกิดขึ้นและเราทำใจให้สบายได้นั่นแหละคือความสำเร็จในชีวิตข้อนี้หมายความว่าทุกครั้งที่ความผิดหวังเกิดขึ้นแต่แล้วก็สามารถทำใจให้สบายได้มันหมายถึงว่าฐานะจิตใจของเราได้เลื่อนสูงขึ้นกว่าเดิม คนที่เงินเดือนขึ้นหรือได้เลื่อนตําแหน่งหรือสอบไล่ได้อะไรทํานอง น, นี้เราถือกันว่าเป็นความสําเร็จในชีวิตหรือเป็นความก้าวหน้าของชีวิตแต่ถ้าสอบไล่ตกคนอื่นเขาได้เลื่อนตําแหน่งเงินเดือนขึ้นแต่เราก็อยู่ในฐานะที่ควรจะได้เหมือนเขาแต่แล้วกลับไม่ได้เราถือว่าเป็นความล้มเหลวของชีวิต หรือเป็นโชคร้ายการถือเช่นนี้เป็นการเข้าใจผิดอันที่จริงในเมื่อความผิดหวังใดๆเกิดขึ้นและจิตใจเราไม่สบายมันก็เป็นความล้มเหลวของชีวิตจริงๆแต่ตรงกันข้ามนั่นมันหมายถึงความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของชีวิตอันงดงามทีเดียวทั้งนี้เพราะจิตใจของเราด้เลื่อนสูงขึ้นกว่าเดิม คนโดยมากเข้าใจผิดที่คิดว่าการที่ไม่ได้วัตถุตามความปรารถนา น, นเป็นความล้มเหลวของชีวิตและถือว่าการได้วัตถุตามความปรารถนาน น, นั่นคือความสุขหรือความเจริญแต่อันที่จริงมันจะเป็นความสุขจริงเป็นความเจริญจริงหรือไม่ไม่ขึ้นอยู่กับฐานะทางจิตใจดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นหนึ่งเรื่องของวัตถุนานเปลี่ยนแปลงง่ายคือประเดี๋ยก็ได้ประเดี๋ยก็ไม่ได้มันขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่นอนกับมันไม่ได้ส่วนฐานะของจิตใจในเมื่อเราได้สร้างมันขึ้นมาแล้วมันมั่นคงกว่ายั่งยืนกว่าเป็นไหนๆตัวอย่างเช่นถ้าใครเข้ามาด่ามาว่าเราแต่แล้วเราไม่โกรธและไม่เกลียดคนคนนั้น ถ้าท่านทําได้สักครั้งหนึ่งมันหมายความว่าต่อไปก็จะทําได้อีกและถ้าถ้อยคําที่เขามาด่ามาว่านั้นเป็นคําที่รุนแรงมากแต่แล้วเราก็ยังไม่โกรธและไม่เกลียดกลับมีความเมตตากรุณาในคนที่เขามาดา่าถ้าทําใจได้อย่างนี้สักครั้งมันหมายความว่าในโลกนี้ยากที่ใครๆหรือสิ่งใดๆ จะมาทำให้จิตใจของเราต้องขุนมัวได้ทั้งในชาตินี้และต่อไปทุกทุกชาติโปรดพิจารณาอีกแง่หนึ่งถ้าสมมติว่าเรายังทำไม่ได้ก็แปลว่าเรายังจะต้องแพ้อยู่ไปตลอดทั้งชาตินี้และชาติต่อไปทุกๆชาติความทุกข์ที่เกิดจากการขัดใจหรือเกิดจากการที่ไม่ได้อะไรสมความปรารถนา มันจะติดตามไปทุกชาติทุกขนทุกแห่งและมันจะมีวิธีอื่นนอกจากนี้หรือไม่ที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่จิตใจของเราถ้าเราอยากได้อะไรได้สมหวังทุกครั้งจิตใจจะอ่อนแอหรือเข้มแข็งจะอยู่ในความทุกข์เสมอไปหรือว่าจะพ้นทุกข์เขาจะมองไม่เห็นเลยว่านอกจากความผิดหวังแล้ว จะมีอะไรที่จะสร้างจิตใจของเราให้สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อใดความผิดหวังเกิดขึ้นแต่แล้วก็ทำใจให้สบายได้นั่นล่ะคือความสำเร็จของชีวิตหรือเป็นความก้าวหน้าของชีวิตส่วนการได้สมความปรารถนาจะถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของชีวิตก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นคนมีพื้นจิตใจสูงเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีถ้าคนไหนเกิดมามีแต่ความผิดหวังไม่เคยได้อะไรสมความปรารถนาหรือกว่าจะได้แต่ะระอย่างก็ต้องรอคอยกันนานเหลือเกินถ้าคนไหนอยู่ในฐานะอย่างนี้ความกดดันในทางอารมณ์ก็จะมีมากและจะมีแต่ความอาภัพต่างๆมันเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันที่จิตใจของเข้าจากก้าวหน้า เพราะฉนะนั้นการได้อะไรสงความปรารถนาก็ต้องนับว่าเป็นสิ่งที่ดีและทุกคนก็ควรจะพยายามทำให้มีให้เป็นขึ้นอย่าทอดอะไรอย่าเบื่อหน่ายอย่าท้อแท้แน่นที่จะต้องพยายามทำอะไรให้สำเร็จเมื่อปรารถนาสิ่งใดแล้วต้องพยายามเอาให้ได้อันนี้ก็เป็นของจําเป็นแต่ก็อย่าลืมเป็นอันขาดว่า การได้อะไรสมความปรารถนานั้นมันอาจจะกลายเป็นยาพิษก็ได้ถ้าจิตใจเรายังไม่สูงเพราะฉะนั้นทางที่ดีในขณะที่เรากำลังประสบความสําเร็จในชีวิตคือต้องการอะไรได้สมความปรารถนาจิตใจกาลังสบายอยู่นั้นขออย่างเดียวอย่างโมกมุ่นคิดแต่จะแสวงหาวัตถุหรือคิดแต่จะตามใจตัวเองทุกอย่าง ในระหว่างที่จิตใจกำลังสบายนี้เป็นโอกาสอันดีมากที่จะต้องพยายามหัดให้ตัวเองมีนิสัยเสียสละมีความเมตตากรุณามีความขยันอดทนมีการปล่อยวางและที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามสร้างความสงบภายในให้มากด้วยการฝึกสมาธิและเจริญวิปัสสนา ถ้าหากพื้นคุณธรรมต่างๆดังที่กล่าวมานี้มีมากพอและมั่นคงเช่นสามารถเข้าสมาธิได้เสมอนิสัยเห็นแก่ตัวไม่มีเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้าจิตใจของท่านได้ก้าวหน้าขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วจะอยู่ในฐานะที่เรียกว่าพ้นจากเคราะรา์รหรือโชคร้ายโดยประการทั้งปวงและตลอดไปด้วย คือหมายความว่าเมื่อต้องการอะไรได้สมความปรารถนาก็เป็นผลดีกับจิตใจไม่ทำให้จิตใจเสียถ้าเกิดความผิดหวังหรือประสบผลร้ายเช่นเจ็บป่วยเกิดอุปัฒตวัยเหตุหรือเกิดความยากจนถูกแกล้งหรือได้รับผลร้ายอะไรก็ตามผลที่ว่านี้ทุกอย่างในที่สุด จะนำความสาเร็จมาให้แก่ชีวิตทั้งสิน้นมีหลักสาคัญอยู่ข้อเดียวว่าต้องพยายามหัดทำใจให้สบายอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนี่แหละคือความก้าวหน้าที่แท้จริงของชีวิตหรือความสาเร็จที่แท้จริงของชีวิตโปรดอย่าได้เข้าใจผิดเป็นอันขาดว่าความก้าวหน้าของชีวิตหรือความสาเร็จในชีวิตนั้น อยู่ที่การมีเงินมีชื่อเสียงหรือมีฐานะในทางวัตถุอย่างนั้นอย่างนี้คนที่รู้จักตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้จะต้องเป็นคนที่ไม่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตดังที่จะ ก, กล่าวมานี้และต้องมีพื้นคุณธรรมต่างๆเช่นมีความสันโดษมีการปล่อยวางอย่างนี้เป็นต้น การตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่จะให้ได้ผลอย่างเด็ดขาดไม่ใช่อยู่ที่เมื่ออยากได้เงินเท่าไรเมื่อได้สงความปรารถนาก็หมดกังวลการหมดกังวลในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายแต่อย่าลืมว่าถ้าท่านคิดจะตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยวิธีต้องหาเงินมาให้ได้ทุกครั้ง ถ้าคิดอย่างนี้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีหรือให้มีอำนาจสักขนาดไหนก็ตามจะไม่มีทางตัดได้เลยนอกจากจะรังงับได้เพียงชั่วระยะหนึ่งคือในระยะแรกแร ก, แรกที่ได้สมความปรารถนาเท่านั้นรายการเสียงธรรมเรื่องใครจักรู้แจ้งตัวเองจากผลงานเขียนของอาจารย์พรรตนาสุวรรณ จบเพียงเท่านี้